กำหนดดูดูใจของเรานะแต่ละวินาทีมเป็นยังไงมันปรุงมันแตกอยู่นั่นแหละสัญญารลมแต่เราก็ไม่รู้เพราะ เราไม่ได้ตั้งสติเราเลยไม่เข้าใจไม่รู้ว่ามันมันปรุงมันแต่งมันวิ่งไปตามสัญญาอารมณแต่นั้นอันหนึ่งย้อนให้เข้ามากำหน ด, ดให้ใจมันนิ่งอ่าน้้ามันกับเพื่อมัมนก็ไม่เห็นรูปเห็นเงาของเจ้าของใจนี้ก็เหมือนกัน มันก็เพิ่มไปตามสัญญาอารมณ์เกาะนั่นชนนี้อยู่บ้างมันเป็นอย่างนั้นเพราะปกติมันก็ไม่อยู่เป็นสุขโลดพลแต่เราก็ไม่รู้เพราะขาดการกําหนดขาดการพิจารณาเลยไม่รู้เลยมาเข้าใจว่าจิตเจ้าของมันเป็นสมาธิหรือว่ามันฟุ้งซ่าน จิตดวงนี้มันไม่ตายมวยมันเวียนว่ายไปออกจากล่างนี้ไปสู่ล่างใหม่ไปเรื่อยๆเออเขาเลยว่าจิตไม่ตายเกิดอยู่ตลอดถ้ายัางมีเชื่ออยู่แต่เราก็ไม่เข้าใจเพราะขาดการคินิพพิจารณาขาดการดูนั่นแหละ เราไม่ได้พัฒนามันเราไปพัฒนาแต่ทางอื่นปล่อยมันไปเรื่อยๆมั้งก็ไปเข้ามันไปเรื่อยๆนั่นแหละฉะนั้นจึงว่ากำหนดเอาอยู่ปัจจุบันทำรรนิจพิจรารณาโยนิสมนานติการไข้ครว อ, อดูหาอุบายสอนมันต่างคนต่างหาอุบายสอนใจของเรา เมื่อเราฝึกได้สอนได้เราจะใช้ไปทางไหนก็ได้ใจเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ขณะนี้มันยังไปตามสัญญาอารมณ์ของมันอยู่เพราะมันไม่นิ่งทำทำยังไงมันจะนิ่งแล้วก็หาคนอุบายมาหลอกมาล่อมันเราทำหมดไหนที่มันผูกกับจริตนิสัยของเรา เราก็ทำหมดด้านมากำหนดให้จิตมันเป็นสมาธิให้จิตมันมีกาลังเดี๋ยวนี้จิตของเราไม่มีกำลังความพุงต้านมันมากความพุงความแตงมันมากเเดี๋ยวมันกับไปยึดนั่นเดี๋ยวกับไปปล่อยวางตัวนั้นเดียวกับไปยึดตัวนี้อยู่อย่างนี้ถ้าเรากำหนดพินิจพิจารณาดู ขนาดเรานั่งอยู่นี้มันยังไม่อยู่มันยังปรุงจังแต่งไปเกิดดับเกิดดับอยู่นั่นน่ะความปุงความแต่งของมันแต่เราก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะขาดกําหนดพิจิตรนิพพิจารณาถ้าเรากําหนดย้อนเข้ามาดูรู้เออสิ่งเหล่านี้มันเกิดมันดับถ้ามันรู้ว่ามันเกิดมันดับก็ปล่อยให้มันเกิดมันดับอยู่นั่นแหละเสียก่อนจนกว่าจิตมันจะนิ่ง จิตมันจะเป็นสมาธิจิตมันจะมีกำลังของมันเมื่อมันมีกำลังมีพลังแล้วเราก็สามารถแยกเจาะคียคายให้เป็นตำสภาวะความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้อันนี้มันอยู่ที่การฝึกการ พ, รพัฒน์ปฏิบัติเ <c oughs> พราะเราก็มีสมบัติ พร้อมแล้วกายาสมบัติวิจีสมบัติมโนสมบัติดั น, นมีเพียบพร้อมทุกอย่างขาดแต่เราจะประพฤติปฏิบัติขาดการกระทําของเราคือเราทำไม่ทมันไม่ต่อเนื่องมันขาดช่วงเราก็เพลินไปตามอัญ <c> ญ <oughs> าลมเชื่อเลยขาดช่วงมันไม่ต่อเนื่องมันก็เลยไม่รู้ทําเห็นทำ ท่านทำที่ท่านว่าทำมีอยู่มีอยู่แต่ว่ามันอยู่ตรงไหนเราก็ไม่เข้าใจไม่รู้ <Okay. S 1> เพราะทำนั้นมันมันไม่ใช่เป็นรูปเป็นร่างเป็นนามธรรมอืมมันไม่มีรูปมีร่างเหมือนกับใจเออกิเลสทั้งหลายก็เป็นนามธรรมาเหมือนกันสิ่งเหล่านี้อันนี้แหละถ้ามันเป็นวัตถุเราก็สามารถจะแยกแยะ หรือว่ายกออกจากกันได้แต่นี้อันนั้นมันเป็นนามธรรมเมื่อสิ่งเหล่านี้มันเป็นนามธรรมเราจะทํำยังไงเราก็เอาสิ่งที่มันเป็นอันเดียวกันนั่นแหละไปสะเอปล้างทำคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็เป็นนามธรรมเอาไปชาระเอปล้างเมื่อเราล้างวันนั้นบ้างล้างวันนี้บ้างทีนี้พิจารณาวันนี้บ้างอันที่ว่าล้างล้างนั่นมันเป็นคําสมมุติบัญหยัด หมายถว่าการพิณิพิจารณาแยกแยะความดีความชั่วนั่นแหละถ้าความชั่วมันเกิดขึ้นเราก็พยายามละพยายามเวน้นยะไม่ไปตามกุลบายของเขาเมื่อความดีมันเกิดขึ้น เ, เราพยายามเจริญนะมันยิ่งยิ่งขึ้นใจของเราก็จะเบิกบานใจของเราก็จะแจ่มใสใจของเราก็ไม่คุณมัว เ, เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็พยายามกาหนดแยกแยะขี้คายให้มันเห็นตามสภาวะความเป็นจริงแต่เดี๋ยวนี้เรามันปีนเกลียวทำของพระพุทธเจ้าเออท่านเห็นไปอีกอย่างหนึ่งเราเห็นไปอีกอย่างหนึ่งคำว่าเราเราเนี่ก็หมายถึงใจนั่นแหละเออมันไม่เข้าอยู่ตามรองควคธรรมเออมันฉะนั้นท่า น, นจึง หาอุบายเรียกว่าสิน เ, เป็นรั้วกัน้นเป็นเฉาแดนให้เราเดินตามนั้นการประพฤติปฏิบัติด้านกายก็ตามด้านบาจาก็ตามด้านใจก็ตามจต้องพยายามให้มีสินเกิดขึ้น เมื่อมีศีลเกิดขึ้นการประปฏิบัติเพราะว่าฐานของเรามันดีเราก็สามารถสร้างสมาธิให้มันเกิดขึ้นได้แต่เดี๋ยวนี้ศีลของเรามันก็ท่อนก็แท่น ม, มันด่างมันพ้อยมันไม่สมบูรณ์แต่มันมีอยู่แต่ไม่สมบูรณ์เหตุฉะนั้นมันเรากาหนด ภาวนาพิเนปิจารณากําหนดให้จิตมันอยู่ให้จิตมันเป็นเอกัตตาแต่มันไม่เป็นเพราะว่าฐานมันไม่มั่นคงเออตอนนี้เราพยายามทําฐานให้มันแน่นหนาให้มันมั่นคงเออเมื่อทําฐานให้มันแน่นหนามั่นคงแล้วต่อไปสมาธิมันก็เกิดขึ้นได้เร็วเกิดขึ้นได้ง่ายแทนท่านว่าสมาธิ คือความความตั้งใจมั่นมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้เวลานั้นนี้ขณะนี้ใจของเรามันตั้งมั่นหรือยังเราก็กําหนดพิจารณาท่านว่าสมาธิหรือภาวนาสมาธิ อ, อนีกสมาธิอุปจารสมาธิอปันนาสมาธิมันเป็นอย่างไรใจของเรามันถึงขั้นนั้นหรือยังเราก็กําหนดแยกแยะที่้ครายให้มันรู้ให้มันเห็น ไม่ต้องไปถามคนอื่นหรอกสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นรู้เองเห็นเองเออสิ่งที่ไปถามเ อ, อไปเรียนมาไปดูมานั่นเป็นสัญญาเออมันเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงอืมลงได้ลืมได้มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นของไม่แน่นอนไม่เหมือนของที่เราประพฤติปฏิบัติได้สมมติว่าเรานั่งจิตมันเป็นสมาธิเข้าสู่อปปน า, าสมาธิ จิตมันดิ่งแน อ, อแน่อยู่นั่นน่ะเออความใจของเราก็มีต่กความเบิกบานมีต่กความสุขร่างกายรู้สึกว่ากะพี้กระเป๋าเบากายเบาใจนั่นมันเป็นอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้เวลานั่งอมันหนักตรงนั่นเจ็บตรงนี้ปวดตรงนั่นอันนั้นเพราะว่าใจของเราไปยึด ความอุปทานของเรานั้นแหละไปยึดมั่นถือมั่นมันเอออะไรก็ของกลัอะไรของกลัเรายังแยกแยะใจออกจากเอร่างกายส่วนนี้ยังไม่ได้มันก็เลยเกิดทุกข์ขึ้นเนี่ยฉะนั้นเมื่อทุกข์เกิดขึ้นท่า น, นก็ให้กําหนดแยกแยะขี้ขายให้เห็นตามสภาวะความเป็นจริงของเขาถ้ามันทุกข์ทุกขเวทนามันเกิดขึ้นมากๆ มันก็เกิดขึ้นได้มันก็ดับได้เพราะว่ามันตกอยู่ในสภาวะอนิจจังเอตกอยู่ในไตรลักษณ์เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามันเกิดได้ดับได้สิ่งเหล่านี้จะให้มันทุกข์จนกระทั่งมันนั่นน่ะมันอยู่ไม่ได้หรอกนุ่นเวลาเราไปดูแต่เวลาเราจัดบทลมปานนะั้นน่ะเอตอนนั้นละ่ะตอนสําคัญเหตุนั้นให้พยายามตั้ง ได้ประพฤติปฏิบัติเตรียมตัวไว้ก่อนให้มันรู้ให้พิจารณาแยกแยะให้มันรู้อย่าให้ใจของเรานี่ไปพวงพันในสิ่งเหล่านั้นไปยึดทั้งสิ่งเหล่านั้นถ้าใจของเราไปยึดไปพวงพันในสิ่งเหล่านั้นไปมีความอะไรอาวรณ์อยู่ใจของเราก็เศร้าหมองใจของเราก็ไม่เบิกบานถ้าเราแยกแยะขี้คายพิพพนิจพิจารณาให้เห็นตามสภาวะความเป็นจริงของเขาแล้ว สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเราก็ไม่ได้ไปสนใจละบัณ เ, ออเพราะถึงการถึงเวลาเราก็ปล่อยสละไปเสียเมื่อยังมีอายุไขยอยู่ยังมีลมพานอยู่กับมีหน้าที่ต่างคนกาต่างน้ามีหน้าที่รับผิดชอบกันไปเสียเออนั่นมันเป็นอย่างนั้นกา ร, ระฝติปฏิบัติเพราะเราสร้างสติให้มันมากเออเดี๋ยวนี้สติของเรายังไม่สมบูรณ์เออมันเป็นกร ะ, ะท่านกระแท่นอยู่ เมื่อสิ่งเรานั้นเกิดขึ้นแล้วก็เอาไม่ทันกําหนดไม่ทันพินิจพิจารณาไม่ทันใจของเราก็เลยเต้ามองขุนมัวมเป็นอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติให้เรากําหนดพินิจพิจารณาธรรมนี้มันมีอยู่แล้วขาดแต่ผู้ที่จะฟังเ อ, อมีอยู่ตลอดยี่สิบสี่วันใดธรรมนี้มันแสดงขึ้นแต่เราก็ไม่เข้าใจไม่รู้เ อ, อเพราะขาดกําหนดพิษ การกําหนดพิจพิจารณานั่นแหละมันจึงไม่เข้าใจมันยังไม่รู้เออถ้าเรากําหนดน้อมพิิจพิจารณาอยู่เรื่อยๆให้เป็นธรรมอยู่เรื่อยๆธรรมก็เกิดขึ้นง่ายนั่นเป็นอย่างนั้น อ, อืเพราะใจของเรามันยังแข็งมันยังกระด้างอยู่เออพยายามฝึกดัดให้มันอ่อนท่านจึงว่าตปะธรรมเออแล้วตะปะธรรมแผดเผาเข้าเออ หมายถึงการประพฤฏิบัติการกำหนดพินิพิจารณาทั้งอิรยามดทั้งสีนั่นแหละคนว่าเผาๆนั่นนะ่ะคือเป็นคำบัญญัติคำสมมุติเฉยๆแต่เรามังรัที่บางคณาจารย์เขาไม่เข้าใจเท่ากับไปขึ้นนังไฟแล้วทำเป็นนั่งลานขึ้นแล้วก็เป็นนอนอย่างให้กิเลสมันหายอันนั้นมันไม่หายแต่มันคนละส่วน มันอยู่ที่กิเลสมันอยู่ที่ไหนเราก็พยายามคน้นกลัวกำหนดเข้าไปเออมันจึงจะรู้มันไม่อยู่ที่ไหนหรอกเดี๋ยวนี้เวลานี้มันอยู่ที่ใจนั่นแหละเออเพราะใจของเรายังไม่เป็นธรรมใจของเราทำมันยังไม่เกิดแล้วก็สิ่ง น, นั้นหละมันพาให้เป็นออให้อยู่แฝงอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นกา ร, ป, รปฏิบัติการกาหนดใน ปติสมุปบาทนั่นน่ะท่านให้กําหนดตำลรอของเขามาตํำล้ก็ามาเอามที่ท่านพูดท่านว่าเป็นฟักเป็นตอนนั่นน่ะมันนั่นมันเกิดมันดับอยู่ที่ใจนี่แหละเพราะใจของเราสติของเรายังไม่พร้อมยังไม่สมบูรณ์เราเลยไม่ไม่รู้ว่ามันเกิดมันดับมีอยู่เป็นอยู่ทุกวินาทีทุกอิริยาบถทออําเหล่านี้แต่เราก็ไม่เข้าใจเออ อย่างชาติความเกิดมันก็เกิดอยู่ทุกวินาทีแต่เรายังไม่ได้ไม่ได้ย้อนเข้ามาก็เลยไม่เข้าใจว่ามันเกิดหรือมันไม่เกิดเกิดหรือไม่เกิดก็ดูที่ลมอัตตาสาาัพพัสสะของเรานี่แหละจึงจะเข้าใจเออมันเกิดหรือมันไม่เกิดให้เราน้อมพินิษพิจารณาเออเวลามันเกิดมันดับถ้าเราสติของเรามันพร้อมเราก็สามารถรู้ได้เห็นได้ เดี๋ยวนี้สติของเรามันยังห่างอยู่เออมันจึงไม่ไม่เป็นสัมปัญญะเออถ้าเราพยายามสร้างพยายามแยกแยะพิณิพิจารณาเป็นนุโลมปฏิโลมอยู่เรื่อยๆมันเกิดสติพอสติสมบูรณ์แล้วก็เป็นสัมปชัชญะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็รูดูดทันกนอุบายของเขาอืมดีเราก็พยายามเจริญให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไป เอย่างกิเลสมันเข้ามาเราก็แยกแยะขี้คายนั่นมันเป็นอย่างนั้นการประพัติปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งหลับตาอันนี้มันเป็ น, านการประพัติปฏิบัติเพื่อความสามัคคีกันเฉยๆในเวลาเรามารวมกันเวลาเราอยู่ที่พักที่อาศัยของเราเราก็ตั้งใจประพปฏิบัติแต่ถ้าเราทําอยู่ทุกวันทุกวัน พวกอุรยาบทเออทํามันก็สามารถเกิดขึ้นได้รู้ได้เห็นได้นั่นมันเป็นอย่างนั้นอืมหน่วยมากมันมากอ้างว่าไม่มีเวลานั่นมันเป็นอย่างนั้นคนอุบายของกิเลสถ้าเราไปตามคนอุบายของเขาเราก็เป็นที้ข้าเขาอยู่ตลอดนั่นนะ่ะแล้วก็มาเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่แหละเออเพราะโลกอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ ถ้าเราพยายามพินิษพิจารณาแยกะแยกแยะใจดวงนี้ให้มันออกจากกิเลสให้กิเลสออกจากใจแต่การทมันเกิดขึ้นเมื่อมันทำเกิดขึ้น เ, เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายเราก็ไม่อยากจะมาเกิดมาจนทุกทรมานระบาด น, นั้นมันเป็นอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้เวลานี้เราทานอะไรเราษาสินเราก็ปรารถนาจะไปเกิดชั้นนั้นชั้นนี้ ไม่รู้ว่าชั้นไหนบรรูุที่ไหนแต่เราก็ไม่เข้าใจนั่นแะเราอยากนั่นแหละเหตุฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติท่านจึงว่าให้วางความอยากปล่อยความอยากอันนี้เราเมื่อเวลานั่งสมาธิก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเรามีความอยากอยู่ความสารวนความวุ่นวายมันก็เกิดขึ้นถ้ามันได้ไม่ได้ดั่งใจของเจ้าของนั้นเป็นอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติท่านจึงว่าให้ ทำใจให้มันสบายเออเวลากําหนดทีแรกนะกาหนดดูลมไปซะก่อนเออแต่งลมให้มันสบายซะก่อนเมื่อแต่งลมสบายแล้วเออเราก็พยายามกําหนดทำที่เราเคยกําหนดเคยพินิจพิจารณานั่นแหละเอามากํากับใจของเรานั่นอนุโลมปฏิโลมไปเรื่อยๆเมื่อมันเกิดนิมิตเกิดขึ้นเราก็พยายาม ที่นี่พิจารณา อ, อ, อย่าไปกลัวมันแล้วก็อย่าไปดีใจว่าสิ่งเอาแล้วมันเกิดขึ้นออถ้าไปดีใจแล้วก็หลง เ, ออเรียกว่า อ, อิทธาลมอั น, นิธาลมนั่นแหละออตอบนี้ไปต่างคนต่างกำหนดพล <c oughs> าดไม่เอาแล้ววันนี้เหนื่อย พิงแยกย้ายกันถ้าใครมีศรัทธานั่งไปเรื่อยๆ เ, เมื่อน่านั่งพอเพิ่ปฏิบัติไปเรื่อยๆคุณงามความดีก็ได้แก่เรานั่นแหละไม่ได้แก่คกูบาอาจารย์เออแต่ด้วยมากมันไปหาแต่คนอุบายนั่นแหละเออนั่งเจ็บนิดนิดหน่นนอยก็ไม่ค่อยจะนั่งเออ ฉะนั้นการนั่งภาวานาเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนอยู่เรื่อยกระดกุกระดิกอยู่เรื่อยมันปกปิดแล้วปกปิดทุกข์ไว้เห็นไม่ทุกข์หรือไม่ทุกข์ถ้าเราไม่เปลี่ยนอิริยาบทมันก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ถึงขนาดนี้อาจะมีแต่นอนลูกเดียวมีแต่นั่งลูกเดียวยังจะนั้นการประพฤติธปฏิบัติการภาวาน า, นาได้ทั้งสี่ิริยาบท นอนก็กําหนดได้พิจารณาได้ภาวนาได้นั่นเป็นอย่างนั้นมันอยู่ที่สติถ้าสติสมบูรณ์เออจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็เป็นการภาวนาอยู่ตลอดนั่นแหละเป็นการการภาวนาอยู่ที่สติไม่ได้อยู่ที่อื่นถ้าเผลอขาดสติแล้วก็ขาดภาวนานั่นแหละ เวลาเรากวดวัดไปเนี่ยถ้าเรากำนดพิจารณาไปเออสติมันจะไม่ออก <c oughs> ใจของเราจะไม่ออกจากกองสอบยาวานาะคือหน ม, มากมันปล่อยไปตามสัญญารมตามรูปบ้างตามเสียงบ้างกินรถรดผลพระอันนี้แหละกามรมคุณนี่แหละ เ, ออเป็นสิ่งที่ยั่วยวนใจของเราเออ แต่เราก็ไม่เข้าใจพอเราปล่อยไปนานเสนนานแล้วเออเราจะมาบังคับให้มันอยู่ครั้งหนึ่งครั้งเดียวก็ไม่ได้นั่นเป็นอย่างนั้นแต่มันก็ได้ถ้าเราพยายามทำเออมันอยู่ที่ความขยันเออความอดทนอดกั้นของเราถ้าเรามีความอดทนอดกัน้นมีความขยันมันเพียนทํามันก็เกิดขึ้นสิ่งที่ไม่รู้เราก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นเราก็เห็น ตั้งแต่ก่อนเห็นไหมเรามานั่งไม่ได้ไปเดี่ยวปะดาวแล้วก็ปกวดนั่นเจ็บนี่พอพยายามไปวันนั้นบ้างวันนี้บ้างเออกลับไปถึงที่พักที่อาศัยของเร า, เาทํามันก็ได้นานนะนะออไม่ใช่แบบนั่มแบบแบบทนทุกข์ทรมานนะอันนั้นมันนั่มทนทนทุกข์ทรมานใจก็ไม่เบิกบานใจก็คุณมัวเป็นอย่างนั้น เห็นแต่ว่าท่านทำเนี่ยเวลาเราไปทำไปมันก็ไม่ได้เออย่างเรานั่งวานนี้ที่ผ่านมาพึ่งคว่าจิตมันปลอดโปรง่งจิตมันสบายอันนั้นเป็นอดีตไปแล้วอย่าไปสนใจมันเอาปัจจุบันธรรมนี่แหละขอให้ทามันถูกต้องตามหลักเออกำหนดที่นี้พิจารณาเราจะกำหนด เคยกำหนดทำบทไหนออกบทนั้นแหะมัปนประกับกำกัดใจของเราเมื่อกำหนดกำกับใจทาพิจารณาแล้วมันสามารถเกิดขึ้นได้สมาธินั่นนะ่ะออนั่นนะ่ะวางข้างแล้วนั่งตลอดรุ่งเนี่ยเกิดปิติความอิ่มใจออนั่นนั่นแหละทำมันเกิดขึ้น แต่เราอยากให้มันมากๆมันก็ไม่ได้เพราะเราสร้างเหตุยังไม่พอยังไม่พร้อมเหตุยังไม่เพียงพอผลก็ไม่เกิดขึ้นทำแบบกระท่อนกระแทนมันก็ไม่ได้การประพฤติปฏิบัติเออเห็นไหมครูบาอาจารย์แต่ละองค์ละองค์ท่านประพฤติปฏิบัตินั่งสมวันสามคืนเออตลอดรุ่งนั่น เพราะอะไรล่ะเพราะท่านปลึกท่านปลึกได้ทุกคนนั่นแหละพวกเราจะนั่งสมาธิเพื่อการปฏิบัติบูบชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราเคยประพฤติปฏิบัติมานั่นแหละ เราเกิดกำหนดทําหมดไหนเอาบทนั้นละามากำกับใจเพราะใจของเรามันไม่อยู่มันไม่นิ่งถึงว่าทามีอยู่เราก็ไม่เห็นเราก็ไม่เข้าใจเพราะจิตของเรามันยังไม่สงบมันยังคลุ้งต้านอยู่มันยังวิ่นไปตามสัญญาลมเราบังคับมันไม่อยู่เพราะเราปล่อย ตั้งแต่วันเราเกิดขึ้นมาอัด น, นี้เราจะสร้างให้ใจของเรามันสงบเราก็พยายามหาธรรมหาเครื่องให้มันอยู่หาอุบายมาล้อทีแรกมันก็ลำบากเพราะทางเราไม่เคยเจียวงานเราไม่เคยทำเราไปเคยแต่ปล่อยตามสัญญาลม อ่อยตามกิเลสแต่เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นั้นมันเป็นกิเลสที่จะทําให้จิตใจของเราเศร้าหมองถึงว่ารู้หรือไม่รู้เมื่อเราประพฤติมื่อเลือดทำไปเราก็ทําให้จิตใจของเราเศร้าหมองทำให้บาปเกิดขึ้นที่ใจได้อ่าสิ่งเหล่านี้ถึงเราจะรู้หรือไม่รู้อืม ที่มันเป็นบาปก็ต้องเป็นบาปที่มันเป็นบุญก็ต้องเป็นบุญ เ, เราทําโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นที่ไหนล่ะมันก็เกิดขึ้นที่ใจแล้วนะใจเป็นผู้รู้ใจเป็นผู้ทาแต่เราสร้างสติยังไม่พร้อมยังไม่เพียงพอเราเลยไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจเพราะการขาดการพินิจพิจารณา การขาดโยนิโสมะนสิการขาดการไ ข, ขค่ครวนฉะนั้นเมื่อถึงเวลาเรากำหนดทำหมดไหนเอาอำบทนั้นแหละมากากับใจของเรามันที่มันถูกกับจัรินิสัยของเราเอาบทนั้นแหละมาเป็นเครื่องผูกเราต้องกำหนดทำให้มันนิ่งเมื่อมันนิ่ง มันก็มีกำลังมีพลังเมื่อสิ่งชั่วเกิดขึ้นเราก็รู้สิ่งดีเกิดขึ้นเราก็รู้แล้วเราก็พยายามเจริญให้มันมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติไม่เหมือนอย่างเราปล่อยไปตามสัญญาลมถ้าเราปล่อยไปมันก็ไปอยู่นั่นเรื่อยๆน่เ ย, เยเหมือนกับน้ำมันไหลลงไปสู่ที่ต่ำจิตใจของเราก็เหมือนกันเมื่อเราจะฟื้นขึ้นมาให้มัน ตูทำรรไทยที่ว่าดทำมีอยู่เอหตุฉะนั้นน่ะทำมันอยู่ที่ไห น, นก็อยู่ที่กว้างศอกยาววานาคืบ อ, อยู่นี้แหละไม่ได้อยู่ที่อื่นอันที่ท่านว่ากล่าวว่าแปดมือปืนสิบพันธรรมนักขันอยู่ในหนังสืออยู่ในนั้นไม่เป็นอักษ ร, รเป็นเชื่อ ข, ของธรรมเฉยๆทำแท้อยู่ที่ใจเอตุฉะนั้นท่านจึงเอาใจมาประพฤติปฏิบัติพัฒนาใจของเราให้มันเจริญขึ้น ให้มันสูงขึ้นให้มันส ง, งบมันจึงจะเห็นธรรมเมื่อมันไม่ส ง, งบมันก็ไม่เห็นธรรมมังกับไปตามความอยากเหตุฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติท่านเนี่ยควางความอยากปล่อยความอยากทําให้มัใจของเรามันสบายเวลากําหนดเรากําหนดทำบทไหนล อ, อัศรมอัสะสะาสะปัสสาสะบ้าง เราปล่อยให้มันตามสบายอย่าเราอย่าไปบังคับถ้าบังคับมันมันดิ้นเราพยายามปล่อยให้มันตามสบายอย่างหายใจเข้าอหายใจออกเหมือนกันเราหายใจยาวมันสบายเราเอาเอานั้นแหละเออมาเป็นเครื่องกลกับถ้าเราไปหายใจสั้นมันสบายเอาอันนั้นแหละต้องแต่งลมให้มันเข้าใจเสียก่อนให้มันรู้ใหามันรู้ที่สบายของของใจเสียก่อน เราจึงหาบทธรรมมากำกับมาแนบแน่นกับใจของเราหนะ่เออเพราะว่าธรรมที่เรามากำกับนั้นก็เป็นเป็นนามธรรมเหมือนกับใจอันคำว่าใจหรือจิตหรือเจตสิกเนี่ยมันเรียกแล้วแต่จะใช้อันนี้มันเป็นยังยังเป็นสมมุติอยู่ไม่ใช่เป็นธรรมแท้ธรรมแท้ไม่มีสมมติเรียกว่าปมาะะัมมะรัตธรรม หรือธรรมธาตุทำอันแท้นั้นน่ะมันไม่มีสมมุติไม่มีบัญญัติแต่เดี๋ยวนี้เราติดในสมมุติติดอยู่ในบัญญัติอะไรก็ของกูอะไรของกูรูของกูนามของกูอะไนั้นน่ะนั่นแหละเรียกว่าบัญญัติสมมุติบัญญัติบัดนี้เราจะมาเพิกมาถอนสมมติบัญญัติให้มันรู้ตามสภาวะความเป็นจริงคำว่าสภาวะความเป็นจริงมันเป็นยังไง เราก็กําหนดคือท่านบอกว่าความตายหรือความเกิดความดับมันอยู่ทุกวินาทียูอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเราก็พยายามน้อมกําหนดเข้ามาพิจารณาให้มันเห็นคือความตายความเกิดความดับเนี้ยมันทีอืมันเป็นพืชไปเลยถ้าเราไม่มีสติไม่ได้กําหนดไม่ได้พิจารณาไม่ได้แยกแยะ ก็ไม่เข้าใจไม่ไม่รู้ว่ามันตายมันเกิดแต่ที่แท้แล้วมันเกิดมันตายมันอยู่ตลอดทุกลมหายใจเข้าออกแต่เราก็ไม่เข้าใจเพราะขาดการพินิษฐขาดพิจารณาขาดสติเออสตินี้คือความระลึกได้นี้เมื่อเราเสร้างสติให้มันมากมากขึ้นมันจะเป็นสัมปชัญญะมันจะรู้พืชไปเลยนั่นนั่นน่ะนั่นละคำว่าสติและสัมปชัญญะ เราพยายามดูอยู่นี้พิจารณาอยู่นี่คือน้อมเข้ามาโอปนายโกน้อมเข้ามากว้องสอบยาวานาเคือนี่แห ล, และเรากําหนดทำส่วนไหน อ, อพิจารณาทำส่วนไหนเราก็เอาทำส่วนนั้นแหละมากําหนดพินีพนิพิจารณาให้มันเข้าใจ <c oughs> ให้มันเห็นตามสภาวะความเป็นจริงคือสภาวะความเป็นจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตาน้อมเข้ามาอยู่นี่เออเออความเกิดมันก็เป็นของไม่เที่ยง มันเป็นอนิจจังมันยังเกิดได้อะไรลราพาเกิดแล้วก็น้อมดูพี่ิจารณาดูถ้ามันมีเชื้อมันก็ต้องเกิดนั่นแหะเชื้อมันอยู่ไหนเราก็พยายามไล่เข้าไปไล่เข้าไปมันอยู่ที่ใจนั่นแหละใจตัวนี้แหละสําคัญใจตัวนี้มันไม่ตายถึงร่างกายมันจะตายอืมมันจะเน่าจะเปียมันจะเอาเขาไปเผาไปเอาเปาไฟเอาไฟไปเผาทิ้งก็ตาม แต่ใจดวงนี้มันไม่ตายมันออกจากร่างนี้ไปสู่อีกร่างใหม่เหมือนเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั้นเมื่อยังมีเชื้ออยู่คือยังมีความอยากอยู่ท่านจึงห้พยายามตัดความอยากพิจารณาจนให้มันเห็นตามสภาวะความเป็นจริงให้มันเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่าย